ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะตะพระบุพะสิกขาและบุพะสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรักิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปก็จะเป็นสุทิกะปาจิตตีในโภชนวัตรที่สี่ถึงสิกขาบทที่ห้าแล้วนะ ชื่อปฐมปรวราณาความว่าเพียตุใดฉันโพชนะห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งค้างอยู่โพชนะห้าก็ได้แก่ข้าวสุก ข, ขนมสดปลาเนื้อแล้วก็ขนมแห้งนะข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อถ้าฉันโภชนะห้านี้อยู่และห้ามโพชนะห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในหัตถบาทแล้วน้อมเข้ามาให้ ลุกจากที่แล้วเธอกลับฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอนัติริตะคือไม่ได้ทาวินัยกรรมและไม่เป็นเดนภิกจุให้เ้าเรียกว่าที่เป็นอนัติริตะเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทาวินัยกรรมหรือว่าไปฉันอาหารที่ไม่เป็นเดรภิกจุให้อีกในการคืนพ่อนเที่ยงในเกินเที่ยงในกา ร, ใ น, การในวันนั้นเป็นปดด่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่นเลย วาวณาเนี่ยมีองค์ห้าการห้ามพัดเขเรียกว่าานาเหมือนกันนะมีองค์ห้าก็คืออสนังปัญญายติกินอยู่ก็คือการฉันปรากฏข้อหนึ่งโภชนางปัญญายติของที่ฉันและของที่ห้ามเป็นโภชนาห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็หัตถาเปาเสติตโตผู้ให้ก็อยู่ในหัตถบาท ด, ด้วยอภิหรารติเขาน้อมของนั้นเข้ามาด้วย ติดเขปปัญญายติแล้วก็ทำการห้ามเสียพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นอันห้ามชื่อว่าปวารณาคือการห้ามพัดโภชนห้าก็คือข้าวตุกเกิดแต่ธั ญ, ญชาติเจ็ดขนมกุมมากข้าวสัตรแล้วก็ปลาเนื้อี่เป็นโภชนห้านะทั ญ, ญชาติเจ็ดก็คืออะไรบ้างข้าวสาลีสาลิข้าวไม่มีแกลบ วีหิก็ขับเรือกยโว่ข้าวแดงหรือว่าข้าวเหนียวก็ว่าโคทูโมข้าวละมานกังกุ ก, ก็าข้าวฟ่างพระโกลูกเดือยกุดรูสโกกุดรูสโกยาก้สับแก่อันนี้ก็จัดว่เป็นชนชาตเจ็ดเขาถือเอาข้าวสารแห่งธญชาตเจ็ดนี้หุงเป็นก้าสวยก็ตามต้มเป็นข้าวต้มก็ตามถ้าในเวลาฉันอยู่ร้อนก็ตามเย็นก็ตามรอยที่ควักและตักปรากฏอยู่ ข้าวนั้นชื่อว่าโอเดโนคือเป็นข้าวสุกให้เกิดการห้ามพัดได้คือคือถันเกิดการโภนานี่เองก็ในข้าวปายาหรือว่าข้าวต้มเจือด้วยของเหลวพอยกลงจากเตายัางร้อนอยู่อาจกรอบดื่มได้แม้รอยในโอกาสที่ควักไม่ปรากฏไม่ให้เกิดการห้ามพัดก็ถ้าไอร้อนสิ้นแล้วแค่นข้าวแสดงรอยได้ไสให้เกิดการห้ามพัดอีก จะเกิดตอนที่ร้อนนิ่มใช้ดื่มได้แต่ว่าพอเย็นแล้วก็แข็งคนนี่ก็ทำให้เกิดการห้ามพัดความที่เหลวก่อนรักษาไม่ได้ถ้าแม้เขาปนใบไม้ผลไม้และหน่อไม้ลงมากแทเข้าสารแม้กับกำมือหนึ่งถ้าแลเวลาฉันรอยปรากรดไซย่อมให้เกิดการห้ามพัดในที่นิมนต์ไม่มีข้าวต้มเขาคิดจะถวายข้าวต้มและเขาเอาน้ําและน้ําส้มน้ํานม เป็นต้นปนในข้าวสุกเข้ามาถวายว่าจงรับข้าวต้มแม้ถึงว่าเป็นของเหลวก็ย่อมให้เกิดการห้ามพัดได้แทะถ้าแม้เขาเทเข้าวสุกในน้ำซึ่งเดือดแล้วก็ร้อนต้มมาถวายไซของนั้นสงเคราะห์ว่าเป็นของต้มถ้าเขาเอาชิ้นเนื้อชิ้นปลาสักเท่ามเมล็ดพันภุกาศเติมลงในข้าวต้มย่อมให้เกิดการห้ามพัด ข้าวสุกเขาหงด้วยลูกขวียไผ่เป็นต้นหรือว่าด้วยเน่ามันและผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นพ้นจากข้าวสารแห่งธัญชาติเจ็ดนี้ไม่ให้เกิดการห้ามพัดขนมกุมมาสนั้นเขาทําด้วยข้าวเจ็ดประการให้เกิดประวัตินาก็คือการห้ามพัดได้ถ้าเป็นขนมกุมมาสขนมกุมมาสและข้าวต้มเขาทําด้วยของอื่นมีถั่วเขียวเป็นต้นไม่ให้เกิดการห้ามพัดข้าวสัตว์นั้นเขาคั่วธัญชาติเจ็ด อันใดอันหนึ่งทําขึ้นโดยที่สุดแม้จุรนและรำที่เขาตํำข้าวสารและข้าวเปลือกซึ่งเขาคั่วสุกเปรียมทําขึ้นนั้นโคมสงเคราะห์ว่าเป็นข้าวสัตว์ก็แลรรำหรือข้าวสารหรือข้าวตอกแห่งข้าวเปลือกที่เขาคั่วสุกพอดีหรือว่าสุกด้วยแดดหรือข้าวสุกและข้าวสัตว์เป็นต้นที่เขาทําด้วยข้าวสารและข้าวตอกนั้น ไม่ให้เป็นปรณนาคือคือไม่ทำให้เกิดกามห้ามพัดในเนื้อและปลาเล่าถ้าเมื่อพิสูจ์ฉันก็ต้มอยู่เขาถวายชิ้นเนื้อและชิ้นปลาอยู่ในภาชนะอันเดียวหรือว่าต่างๆไซสถ้าเธอนั้นไม่ได้ฉันเนื้อหรือว่าปลาอยู่และห้ามของอื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพอให้เกิดปรณนาเล่าไม่ชื่อว่าห้ามนะถ้าไม่ได้ฉันเนื้อฉันปลาอยู่เนี่ย ถ้าเอาปลาเนื้อเข้ามาแล้วก็ห้ามนี่ไม่ชั่วเป็นอันห้ามแต่ชิ้นเนื้อปลานั้นชิ้นหนึ่งเธอเคี้ยวกินอยู่แล้วชิ้นหนึ่งอยู่ในมือหรือว่าอยู่ในบาตถ้าเธอห้ามเนื้อหรือว่าปลาอื่นไซซชื่อว่าห้ามทั้งสองชิ้นก็คือเป็นการห้ามพัดนั่นเองเธอเคี้ยวกินแล้วในปากแน้ตัดเท่าเมล็ดพันธกระดาษไม่เหลืออยู่ถ้าห้ามเนื้อถือว่าปลาอื่นไซซไม่ชื่อว่าห้ามพัดนั้นต้องมี เน yup. like ื้อมีปลาอยู่ในบาในมือหรือว่าในปากอยู่แล้วก็ห้ามอันนี้ถึงเนื้อจะเป็นการห้ามลุกขึ้นแล้วฉันไม่ได้อีกแต่ว่าถ้าเกิดเนื้อหมดแล้วปลาหมดแล้วแล้วห้ามก็เอาเนื้อเอาปลาเข้ามาและถวายก็ห้ามอย่างนี้ลุกขึ้นไปแล้วอย่างฉันได้อีกไม่ใช่วเป็นการห้ามก็แรกที่สุดใดฉันของฉันเป็นกัปปิยะหรือเป็นอกัปปิยะอื่นอยู่ห้ามอกัปปิยะมังสะและอกัปปิยะโภชนะซึ่งเกิดแต่กูละดูสกะเวชกรรม หมายถึงประจบตะกูลหรือว่าเป็นหมออเป็นแพทย์และเกิดแต่การอวดอุตรินุสธรรมและยินดีรูปยักษ์เป็นต้นเธอนั้นไม่ชื่อว่าห้ามพัดเพราะของนั้นไม่สมควรควรจะต้องห้ามข้าวแม้มนเล็ดหนึ่งเธอได้กลืนกินแล้วโภชนะในบาทและในปากและมือแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเธอนั้นยังอาลัยอยู่และห้ามซึ่งโพชนะอื่นมีลักษณะดังกล่าวแล้วไซชื่อว่าห้าม ถ้าเธอไม่อารยคือสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ในบาปเป็นต้นสิ่งนั้นเธอไม่อยากจะเกลื่นกินหรืออยากจะให้ผู้อื่นเสียหรืออยากจะไปฉันในที่อื่นเธอนั้นแม้ห้ามก็ไม่เป็นอันห้ามจะว่าด้วยหัตถบาทถ้าที่จุนั่งอยู่กาหนดแต่ ต, ตวนสุดข้างหลังถ้ายืนอยู่กาหนดแต่ที่สุดต้นเท้าไปถ้านอนอยู่นอนโดยซีข้างใดกาหนดแต่ที่ตุด หลังซีคั่งนั้นไปถึงส่วนสุดอวัยวะที่ใกล้แห่งผู้ให้ซึ่งนั่งหรือยืนหรือนอนอยู่เว้นแต่มือที่เขาเหยียดออกมาจะให้ให้ได้สองสอบคืบชื่อว่าหัตถบาสนะหัตถบาสนี้ก็มีประมาณสองสอบคืบเพราะฉะนั้นเรลาประเคนก็จะต้องอยู่ในหัตถบาสสองสอบคืบนี้เหมือนกันเขายืนในหัตถบาสแล้วน้อมเข้ามาห้ามเสียจึงเป็นการห้ามพัดถ้าพ้นหัตถบาสนั้นออกไป ห้ามควมไม่ชื่อเป็นอันห้ามต้องอยู่ในหัตถบาทจะว่าด้วยการน้อมของนั้นเข้ามาอภิหัตติการน้อมเพราะว่าเป็นองค์หนึ่งขององค์ห้ามเหมือนกันถ้าแม้พิจุนั่งเป็นลําดับกันไม่น้อมบาตึ้งอยู่ในมือหรือว่าอยู่ในเชิงเลยเป็นแต่บอกให้ว่าท่านจงถือเอาข้าวสุกดังนี้ไซต์พิจุห้ามเสียไม่เป็นอันห้ามทัดเพราะาไม่ได้น้อมเข้ามาให้ แม้ในขอซึ่งเขายกกระเช้าข้าวตุกเข้ามาวางไว้ในพื้นข้างหน้าและบอกให้ดังนั้นก็เหมือนกันครั้งเขายกขึ้นหรือว่าน้อมเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วว่าท่านจงรับเมื่อห้ามเสียงจึงเป็นการห้ามพัดผู้หนึ่งถือกระเช้าข้าวตุกอังคาดอยู่ผู้หนึ่งว่าจะช่วยยกเต้นแต่จับเท่านั้นผู้อังคาดนั้นเองยกกระเช้าข้าวนั้นไว้เพราะเหตุนั้นของนั้นชื่อว่าเป็นอันเขาน้อมเข้ามาแท้ เมื่อห้ามเขาผู้ถือเอาด้วยจะได้แต่กระเช้านั้นเป็นปราวนาคือเป็นการห้ามเพราะว่าเขาน้อมเข้ามาแล้วถ้าแลผู้อังฆาตเป็นแต่ถูกกระเช้าเท่านั้นก็แต่ผู้นอกนั้นยกกระเช้านั้นไว้เมื่อห้ามเขาผู้ถือเอาหวังจะให้แต่กระเช้านั้นไม่เป็นปราวนานะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ยกกระเช้าน้อมเข้ามาแต่ว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนยกครั้นเขาตักด้วยทับพียกขึ้น ห้ามเขาเสียจึงเป็นการห้ามพัดแ้ครั้งคนทั้งสองเขายกเสมอกันอยู่เมื่อห้ามเสียก็เป็นอันห้ามแทนครั้งต่าให้พิสุซึ่งเป็นลำดับอยู่พิสูนอกนั้นช่วยปิดปากเสียชื่อว่าห้ามของซึ่งเขาน้อมเข้ามาแก่ผู้อื่นเพราะเหตุ น, นั้นก็ไม่เป็นการป ร, รนนัดไม่เป็นการห้ามพัดจะว่าด้วยห้ามในของที่เขาน้อมเข้ามาด้วยวาจาห้ามมขึ้น ต้องน้อมมาด้วยกายนะถึงจะห้ามขึ้นของเขาน้อมเข้ามาด้วยกายครั้นห้ามด้วยกายยาวิการมีกระดิบนิ้วเป็นต้นถือว่าห้ามด้วยวจีวิการเป็นต้นว่าพอแล้วอย่าให้เลยดังนี้จึงเป็นปรารณาจุงเป็นการห้ามพัดเพราะฉะนั้นเขาต้องน้อมเข้ามาด้วยกายถ้าห้ามด้วยกายหรือว่าห้ามด้วยวาจานั้นจึงจะเป็นการห้ามแต่ว่าต้องได้องค์ห้านี้นะผู้หนึ่งน้อมแกงมีเนื้ออยู่ด้วยเข้ามาว่าจงรับแกง พิกตูผู้ได้ยินห้ามเขาพูดนั้นเสียไม่เป็นการห้ามพัดเพราะว่าเขาบอกว่าจงรับแกงเขาไม่ได้บอกว่าจงรับแกงเนื้อครั้งเขากล่าวว่าท่านจงรับแกงเนื้อห้ามเสียจึงเป็นการห้ามพัดถ้าเขากล่าวว่าจงรับของนี้ห้ามเสียก็คงเป็นการห้ามพัดเหมือนกันแม้เขาทําเนื้อให้ต่างออกไปกล่าวว่าจงรับแกงเนื้อถ้าชิ้นเนื้อสักเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีอยู่ไซ เมื่อห้ามของนั้นเสียย่อมเป็นการห้ามพัดเหมือนกันถ้าไม่มีไใจควรอยู่ข้าวแกงปลาเนื้อเจือด้วยขนุนและหน่อไม้เป็นต้นแล้วถือเอามาว่าท่านจงรับแกงขนุนแกงหน่อไม้แม้ดังนี้ถึงจะห้ามก็ไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามเพราะนั้นก็คํากล่าวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะกล่าวด้วยชื่อของซึ่งไม่ควรให้เกิดประวนน า, นาคือไม่เกิดการห้ามพัด ครั้งเขากล่าวว่าจงรับแกงปลาแกงเนื้อหรือว่าจงรับของนี้จึงให้เกิดการปรณนาคือเกิดการห้ามพัดในเอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนี้ที่สุห้ามพัดในออริบทใดอย่าให้อริบทนั้นกําเริบพึงฉันเถิดก็คือถ้าเดินห้ามพัดอยู่ก็ให้เดินฉันไม่ให้หยุดนะถ้าหยุดจะต้องทําให้เป็นเดนของฉันซึ่งยังไม่ได้ทําวินัยกรรมโดยอาการเจ็บ และไม่เป็นเดนที่ถูกไข้ชื่อว่าอาณาติริตะก็คือของไม่เหลือเฟือหรือว่าของไม่เหลือเกินเนี่ยนะฉันไม่ได้ของซึ่งทาวินัยกรรมแล้วและเป็นเดนที่ถูกไข้ชื่อว่าอาติริตะคือของเหลือเกินหรือว่าของเหลือเฟือ น, นี้ถึงจะฉันได้อาการแห่งวิเนกรรมเจ็ดดังนี้ก็คือข้อที่หนึ่งกัปปิยะ ก, กัตังหวติ ของซึ่งจะทําวินัยกรรมเป็นผลหรือว่าเป็นเง้าและราดเป็นต้นทํากับยะเกด้วยธรรมะกัปตะห้าอย่างและของนอกนั้นไม่เป็นอากับยะมังสาและอากับยะโภชนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นของกับยะให้ทากัิยะของนั้นต้องทํากัปิยะข้อที่สองปฏิกขะหิตตักกระตังโหติของนั้นที่ตุรับประเคนเสียก่อนจึงไปทําวินัยกรรมได้ต้องรับประเคนแล้ว ข้อที่สามอุจาริตกตังโหติทิสตุผู้ห้ามเข้ามาเพื่อจะยังทิสตุอื่นให้ทํากัตถิยะได้ยกขึ้นหรือว่าน้อมเข้าไปหน่อยหนึ่งให้ทํากัตถิยะข้อที่สี่หัตตาเสติเตนะกตังโหติทิสตุผู้ทํากัตถิยะอยู่ในหัตถบาทแห่งทิสตุผู้มาเพื่อจะให้ทํากัตถิยะแล้วจึงทําข้อที่ห้าพุทธาวินากตังโหติทิสตุผู้จะทําวินไนจัม ให้ได้ฉันโพชนะซึ่งให้เกิดปรารนาโดยที่สุดแม้ข้าวสุกเมล็ดหนึ่งถือเนื้อชิ้นหนึ่งแต่บาตรเิกษุซึ่งนั่งอยู่ใกล้แล้วทำให้หมายถึงว่าได้ฉันแล้วนะข้อที่หก็คือพุทธาวินาปวาริเตนะอาสนาอาวุธิเตนะกะตังหัวติเพิกษุผู้ทำวินัยกรรม ถ้าฉันแล้วห้ามข้าวแล้วยังไม่ลุกจากอาสนะทําให้ต้องยังไม่ลุกด้วยนะฉันแล้วยังไม่ลุกจากอาสนะข้อที่เจ็ดอลระเมตังสั บ, บันติวุตังโหติที่สุผู้จะทําให้ผู้ที่จะทําวินัยกรรมให้เนี่ยต้องเปล่งวาจา ว, ว่าอะระเมตังสั บ, บังแปลว่าของทั้งปวงนั้นพอละแค่นี้พอละครั้นของนั้นทําให้เป็นกัปยะแล้วด้วยอาการแห่งวินัยกรรมเจ็ด ดังนี้เมื่อพิสุฉันอยู่ถ้าเขาเอาอามิตรอื่นมาเติมลงไซ้เธอนั้นจะทำกับปิยะของนั้นอีกไม่ได้ด้วยท่านกล่าวไว้ว่าของสิ่งใดไม่ได้ทำกับปิยะพึงทำของนั้นเธอองค์ใดไม่ได้ทำเธอองค์นั้นพึงทำเพราะเหตุนั้นของซึ่งทำอยู่ในฐาชนะจะเป็นอันทำกับด้วยของที่ทำแล้วก่อนจะทำกับปิยะของนั้นไม่ควร ก็แล้วทิฏุนั้นหรือทิกฏุอื่นจะทําในภาชนะอื่นควรอยู่ทําแล้วดังนี้จะปนกับของที่ทำก่อนฉันก็ควรก็แลจะควรแก่ทิฏุนั้นผู้เดียวหาไม่ได้แม้ถึงทิฏุอื่นที่ห้ามข้าวแล้วเว้นไว้แต่ทิฏุผู้ทําวินัยกรรมให้จกฉันก็ควรก็แต่จะไม่ปนกับของที่ไม่ได้ทํากับพิยะอย่างใด พึงทำปากและมือให้หมดเสียอย่างนั้นแล้วฉันเถิดก็อย่าไปป น, นกับของที่ไม่ได้ทำกับิยะก้อแนของที่เป็นเดนพิจุไข้นั้นใช่จะเป็นแต่ของพิจุไข่ฉันเหลืออย่างเดียวหาไม่ได้ถึงของสิ่งในสิ่งหนึ่งเขาเฉพาะก็คือเจาะจงภิจุไข่นำมาไว้ว่าเธออยากฉันวันนี้หรือว่าเมื่อใดจะได้ฉันเมื่อนั้นของทั้งปวงนั้นก็ชื่อว่าเป็นเดนพิจุไข่ทั้งนั้น ที่ตุห้ามข้าวแล้วโดยในดังกล่าวมาให้อิริยบทกําเริบแล้วรับอา mith ิงในสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอนัติริตะก็คือของที่ยังไม่ได้ทำเป็นเดนเนี่ยเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์กดเพราะรับกลืนกินเป็นปานจิตติทุกขํคกลืนในอามิ t h เป็นอนัติริตะก็คือของที่ยังไม่ได้ทำํำในกรรมเนี่ยเป็นติดกับปานจิตตีรับยาแมกอาริกก็คือพวกน้านนําผลไม้น้ําปณะต่างๆเป็นต้น เพื่ออาหารกรืนกินปราศจากอามิ t h เพื่ออาหารถือว่าอามิ t h เป็นอติริตะเป็นของที่ทำนิยกรรมแล้วแต่ว่าสําคัญว่าเป็นอนัธิริตะและสงสัยอยู่เหล่านี้เป็นทุกกฎรับอามิ t h เป็นอนัติริตะด้วยคิดว่าจะให้พิจิตอื่นทํากับพิยะให้แล้วฉันและรับเพื่อผู้อื่นและฉันยามาการิกสัตถะการิกยาวาชีวิตปราศจากอามิ t h โดยความบริโภคซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตโ็มีเหตุ และพิถูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเป็นอนานติกะใช้คนอื่นฉันนี้ไม่เป็นอบัติมีองศางก็คือเป็นผู้ห้ามข้าวลุกจากอาสนะแล้วหนึ่งอามิตรไม่ได้ทํากั บ, บิยะเป็นอนติริตะหนึ่งกลืนกินในการหนึ่งซ้อนด้วยองศางนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐินนัสติกาบทก็คือกายวาจาหนึ่งกายวาจาจิตหนึ่ง เป็นโนสัญญาวิโมกอจิตกะเป็นปันนติวัชชะแล้วก็กายกรรมะจีกรรมนิจิตสามมีเวทนาสามต่อไปก็เป็นสิกขาบทที่หกชื่อว่าทุติยปวารณาโานาก้อที่สองข้อบทที่สองความว่าพิกตุใดรู้อยู่ว่าพิกตุอื่นห้ามข้าวแล้วดังสิกขาบทก่อน และเอาอามิตรของฉันซึ่งเป็นอนาติริตตะยังไม่ได้ทำยินในกรรมหรือว่ายังไม่ได้ทํากัตยะเนี่ยมาคมขืนหรือว่าอ้อนวอนให้เธอฉันด้วหวังจะคมขืนยกโทษโจด ท, ท้วงเมื่อน้อมเข้าไปหรือเมื่อเธอนั้นรักจะฉันเป็นทุกกดแก่พิจุผู้น้อมเข้าไปเธอนั้นฉันอยู่ก็เป็นทุกกฎแก่ผู้น้อมเข้าไปทุกคํากลืนแห่งผู้นั้นเธอนั้นฉันแล้วผู้น้อมเข้าไปต้องปาจิตตี เธอห้ามข้าวแล้วรู้อยู่ว่าเธอห้ามข้าวแล้วเป็นไปเป็นตีถ้าสงสัยอยู่ก็เป็นทุกกอเหมือนน้อมยามะการิกเข้าไปเพื่อจะให้เป็นอาหารก็ดีครั้นเธอรับและกลืนกินซึ่งยามะการิกเป็นต้นนั้นก็ดีเธอไม่ได้ห้ามข้าวสำคัญว่าห้ามและสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกกฏให้ทำเป็นอติริตตะแล้วให้หรือให้ด้วยคำว่าท่านจงให้เขาทำเป็นอติฤทตะแล้วจึงฉันหรือเอาไปให้ผู้อื่นก็ดี และให้ยามาการิกเป็นต้นว่าเมื่อมีเหตุแล้วจงฉันเถิดและพิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติที่ข่าบทควอนี้ก็เป็นอนานนติกาใช้ให้เอาไปให้ก็ไม่เป็นอาบัติสําหรับคนใช้แต่คนเอาไปให้ด้วยจะหวังโจดทวงโจดโทษเพราะที่ข่าบทข้อนี้ก็หมายถึงพิจูบเนี่ยเดินทางด้วยกันแล้วก็ประพฤติอนาจารพิจูก็เลยเตือนว่าทำอย่างนี้ไ ม, ม่ควรนะครับท่านท่านพิจูรูปนั้นก็โกรธก็ผูกโกรธเอาไว้นะก็เลยเอาอาหารที่ ยังไม่ได้ทําให้เป็นเดนเนี่ยไปให้กับที่ถูกรูปนั้นที่ห้ามพัดแล้วเพื่อจะโจดบ้างว่าท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทําถูกต้องท่านก่อนนี้อาบัตเหมือ น, นกันนี่นะก็ตออาบัตตายิตติก็มีองค์ห้าก็คือเธอห้ามข้าวแล้วหนึ่งข้อหนึ่งนะองค์ที่สองก็คือรู้อยู่ว่าเธอห้ามข้าวแล้วองค์ที่สามเพ่งเล็งในการยกโทษองค์ที่สี่เอาของที่เป็นอนัติริตะยังไม่ได้ทำมิในกรรมยังไม่ได้ทําเป็นเดนเน่น้อมก็ไปให้ องที่ห้าก็คือเธอนั้นฉันแล้วพร้อมที่องห้านี้จึงเป็นปารจิตตีสมุทฐานวิธเวีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินนาทานศิกษาบทแต่วศึกษาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นอธินาทานสมุทฐานนั้นก็มีเวทนาสามสมุทฐานสามอย่างก็คือกายจิตอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะเกิดจากการทําสัญญาวิโมกสจิตตะก็ต้องมีเจตนาแล้วก็โลกวัปชะอไห ก, กามจีการอกุตตรจิต เป็นทุกเวทนาในข้อนี้สุขาบที่เจดก็คือวิการละโภชนะความว่าในเวลาวิการคือตั้งแต่เวลาเคี่ยงแล้วไปจนอรุณใหม่ขึ้นมาของเคี้ยวซึ่งเป็นอามิตติ่งใดทิ่งหนึ่งตั้งแต่รากไม้ผลไม้ไปหรือว่าของฉันโพชนะห้าเหล่านี้เพียกสูรับเพื่อกลืนกินเป็นทุกขกดเพราะรับกลืนกินเป็นปจิตตถ้ากลืนกินข้แล้วก็ต้องบัดปจิตทุกคากลืนเลย ในเวลาวิการเป็นติกะตาจิตตีก็คือสําคัญถูกว่าเป็นเวลาวิการก็ตามหรือว่าสําคัญทิ่ว่าเป็นการก็ตามหรือว่าสงสัยก็ตามเนี่ยฉันเข้าไปก็อับัตบปัจจิต POW. ทั้งนั้นนับยามาตาลิกเป็นต้นเพื่ออาหารหรือว่ากลืนกินเพื่ออาหารในวิการหรือการคือเ ช, ช้าชั่วเที่ยงสําคัญว่าเป็นวิการย่าสงสัยอยู่เหล่านี้ก็เป็นทุกข์กดเมื่อฉันเข้าไปในการรู้ว่าเป็นการไม่เป็นอับัติ เมื่อเหตุมีฉันยามากาลิกเป็นต้นในวิการได้น้ำปัญะประันในราวิการก็ได้นะแล้วก็พิกจูบา้าเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัติแม้พิจุเป็นคนมกักอ้วกมักเรออาหารออกมาถึงลําคอแล้วกลับเข้าไปก็ไม่เป็นอบัตถก็ยังไม่ออกมาทุกปากโดยอนุญาตมาในขันทกะสิกขาบทร์คนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ไปฉันในราวิการก็คนใช้ไม่เป็นอบัตคนฉันก็เป็น มีองศาสก็คือเวลาวิการอย่างหนึ่งข้อที่สองของฉันเป็นยาวะตาริกเป็นพวกอามิตรทั้งหลายข้อที่สามก็กลืนกิ น, นพร้อมด้วยองคศานี้จึงเป็นปตาขิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอรัตโรมะจิกาบทนั่นเองดังกล่าวแล้วในปฐมาศาสยยะก็มีองค์มีสมุทฐานสองนะเอรัคารมะนะัก็คือกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายจิตอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกายขัมเท่านั้น เป็นโนสัญญาวิโมกขจิตกะกิริยาเกิดจากการกระทำมีจิตสาเมเวทนาสามปัณติวัชชะต่อไปสุขบทที่แปดชื่อว่าสันนิธิการกะความว่าของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นยาวากาลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สุดรับประเคนวันนี้แรงคืนไว้พรุ่งนี้ก็คือเก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นสันนิธิคือทาการสังสม รับของสันนิธินั้นเพื่อจกฉันต้องทุกข์กดเพราะรับกลืนกินก็ต้องปาจิตีทุกคำที่กลืนถ้าแม้บาดล้างไม่หมดครั้นสีด้วยนิ้วมือรอยปรากฏอยู่หรื อ, อยางข้าวสุกเข้าไปอยู่ในระหว่างแห่งบาดซึ่งเป็นปมอย่างข้าวนั้นครั้นเอาบาดปากในที่ร้อนหรือว่ารับเข้าต้มอันร้อนมันไหลออกมาที่ตุกฉันแม้ในบาดเช่นนั้นในวันรุ่งเช้าก็เป็นปาจิตีเหมือนกันถือว่าฉัน อาหารที่ทำตามสังสมก็ของใดพิจตุเสียสลับแก่สำเนนขาดไม่เหลียวแลแล้วสำเนนเก็บไว้เธอได้มาฉันของนั้นควรอยู่ในอามิตรเป็นสันนิธิแล้วก็ฉันก็ไปด้กรความสำคัญถูกหรือว่าสําคัญผิดหรว่าสงสัยก็ตามก็เป็นติกะปะจิตติรับยามากาลิกและสัตตาหกาลิกยาวชีวิกซึ่งเป็นสันนิธิเพื่ออาหารหรือกลืนกินเพื่ออาหาร หรือในอา mith ท, ที่ไม่ได้เป็นสันนิธิสําคัญว่าเป็นสันนิธิหรือสงสัยอยู่เรื่องนี้ก็เป็นทุกข์กฎรู้ว่าไม่เป็นสันนิธิเป็นอนาบัติเก็บยาม่ากาฤกยามะกาิกศรัทธากาลิกไว้ไม่ให้ร่วงการของตนของต น, งตนก็คือยามะกาิกนี่ไม่เลยเชี่ยงยามะกาิกก็ไม่เลยวันอรุณขึ้นยามสุดท้ายศรัทธากาฤกต้องไม่เกินเจ็ดวัน ถ้ายาว่ชีวิตก็ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ฉันตามการอันหนึ่งแม้เมื่อเหตุมีจะฉันยาวะชีวิตก็ได้และติ๊กูบ้าเป็นต้นตาว น, นี้ก็ไม่เป็นอบัตกิฆาบทข้อ น, นี้ก็เป็นอนานติกะเหมือนกันใช้ไม่เป็นบังคับคนอื่นไม่เป็นนะมีองค์สามอามิตรเป็นยาวะกาลิกหนึ่งอามิตนั้นรับประเคนแแมคืนไว้เป็นฐันนิธิหนึ่งแล้วก็กลืนกิน พร้อมดองสามนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอลักรโรมัสทิขาบทเหมือนกันก็คือกายอย่างหนึง่งกายกจิตอย่างหนึง่งสมุทฐานสองก็เป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขิจตะกะเป็นปันนติปะชะเป็นกายกรรมแล้วก็มีจิตสามเวทนาสามต่อไปในทิขาบทที่เก้าชื่อว่าปานีตะโภชนะขอผู้ชนะอันประณีตไม่เป็นไข่นมามชันนะี่นะ ความว่าข้าวสุกซึ่งเกิดแต่ธัญชาติเจ็ดคนด้วยของประนีตก้าอย่างนี้คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าปรนีตะโพชนะที่สุดใดไม่เป็นไข่ขอปรนีตะโพชนะกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปรณนาด้วยคำเป็นต้นว่าท่านจงให้ข้าวสุกทั้งเนยใสด้วยหรือว่าท่านจงให้ข้าวสุกทั้งปลาด้วยดังนี้เป็นอบัตทุกฏ เพราะวิญญาณก่อนได้มารับจะฉันเป็นทุกข์ดเพราะรับกลืนกินเป็นปัจจิตีทุกคําที่กลืนขอมาฉันทั้งเก้าสิ่งก็เป็นปัจจิตีเก้าตัวเลยทิพย์ใดไม่เป็นไข่ขอเนอยใสเนยก้อนน้ามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยล้วนไม่เจียวด้วยข้าวสุกเพื่อเพยกัดพึงปรับอาบัตเธอด้วยมหานามติกขาบทถ้าไม่เป็นไข่นี่ก็อาบัติปัจจิตีในข้อมหานามะขอเพยกัด ที่ปรานาไว้กับสงขอปลาเป็นต้นสี่อย่างล้วนไม่เจือพึงปรับเธอด้วยสูโตดณนะ์วินยัติในเศรษฐียะนะก็คือขอแกงและผสุกไม่เป็นไข่ขอแกงและข้าสุกมาฉันพระต่อปัทุกฎขอโภชนะระคนด้วยสัปติเป็นต้นพึงปรับเธอด้วยสิขาบทนี้ก็คือโภชนะตราณีขอข้าวสุกทั้งปลาด้วยเขาให้ข้าวสุกกับเนื้อผิดสังเกตไม่เป็นอบัต ด, ด้วยสิขาบทนี้นะ และขออย่างไรก็ให้ผิดจากที่ขอไปต้องไม่เป็นอาบถือว่าเขาใข้ไม่เป็นไข้เป็นติกาปยาตีเป็นไข้สําคัญว่าไม่เป็นไข้หรือว่าสงสัยอยู่แล้วก็ไปขอนามาชันก็ไปอบัตรทุกกฎรู้ว่าเป็นไข้แล้วก็ขอนามาชันก็เป็นอาณาบัติไม่ต้องอบัติขอในคราวเมื่อเป็นไข้หายไข้แล้วฉันหรือว่าฉันของเหลือพิกจุกไข้รือขอแต่คนที่เป็นญาติโป ร, โรนณาคือขอเพื่อผู้อื่น หรือแรกเอาด้วยทรัพย์ของตนและที่ตูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตเป็นอนานติกะก็คือใช้คนอื่นก็ไม่เต็นด้วยมีองค์สี่ก็คือเป็นปณีตะโภชนะองค์หนึ่งโภชนะประณีตองค์ที่สองไม่เป็นไข่องค์ที่สามได้มาด้วยวิญยัตองค์ที่สี่กลืนกินพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นตาจิตติทิคารบทข้อนี้เป็นอัตฐานะสมุทฐาน เหมือนกับข้อที่ชักชวนินทางไกลกมาทุกรามอาบัตนั้นมีสมุทฐานสี่อย่างก็คือกายอย่างหนึง่งกายวาจาอย่างหนึง่งกายจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึง่งเป็นกิริยาก็คือเกิดจากการกระทำน่าไปขอมาฉันเนี่นะโนสัญญาวิโมกเป็นอาจิตกะไม่รู้ไม่มีเจตนาก็เป็นนะปันนัสติวัชชะเป็นกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามเวทนาสาม ข้อที่สิบในวัดนี้โภชนวัตก็คือดันตะโปนาสิกาบทความว่าของจะพึงกลืนกินทั้งปวงอนุสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ในหัตถบาดให้ด้วยกายหรือของเนื่องด้กายหรือโยนให้แก่ทิจุซึ่งรับด้วยกายหรือของเนื่องด้กายของนั้นชื่อว่าเขาไม่ได้ประเคียนให้ไปฉันของที่ไม่ได้ประเคียนในบัตปจิตตี ทิศตูดายถือเอาเองซึ่งของที่ไม่ได้รับประเคนเช่นนั้นแม้เป็นของป่นละเอียดดำธุลีเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์กดเพราะรับกลืนกินทําให้ล่วงลําคอเข้าไปโดยช่องปากหรือช่องจมูกก็เป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ําและไม้ชมรักฟันน้ํำดื่มนี่กินได้ตามสบายไม้ถีฟันก็เป็นของไม่ล่วงลําคอเข้าไปถ้าล่วงลําคอเข้าไปถึงไม่รู้ก็คงเป็นปาจิตตีเหมือนกัน ในขอที่ไม่ได้รับประเคนเป็นติกะปัจจิตีคือเมื่อไม่ได้ประเคนแล้วเป็นสําคัญถูกว่าไม่ได้รับประเคนสําคัญผิดว่ารับประเคนแล้วหรือว่าสงสัยนี่ฉันก็ไปก็บัตปัจจิตีทั้งนั้นเรียกว่าติกะปัจจิตีในขอที่รับประเคนแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้รับประเคนหรือว่าสงสัยอยู่ฉันก็ไปก็เป็นทุกข์กฎรู้ว่ารับประเคนแล้วเป็นอะนาบัติ ในน้ำและไม้สีฟันบดีหรือว่ายามหาวิกับสีคือมูดคูดเท่าดินเมื่อเหตุคืองูกัดมีขึ้นกัปปิยาการกไม่มีถือเอามาฉันเองแม่พิจูบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัก็คือไม่เป็นอบับกกัปปิยาการกแม้ใชย้ยาหรือไม่อาจทำได้ก็ตั้งอยู่ในฝักฝ่ายว่าไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ครั้นเท่าไม่มีพิจูจะเผาไม้แห้ง หรือไม้แห้งก็ไม่มีแม้จะตัดไม้สดแต่ต้นไม้มาทำเป็นเท่าก็ควรแม้จะขุดแผ่นดินเพื่อต้องการดินก็ควรก็แลยามหาวิกัตทั้งสีน่นี้ชื่อว่ากาโลดิตะเฉพาะการงูกัดเท่านั้นในขณะงูกัดอย่างเดียวจะถือเอาเองจึงควรในการอื่นพึงรับประเคนแล้วก็ฉันสิกัา บ, บทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะไปใช้ให้เขาทำก็ไม่เป็นอบัต ใช้ให้ฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเค็นตัวเองไม่เป็นอับัติแต่ว่าคนฉันเป็นมีองคศีก็คือของไม่ได้รับประเคนหนึ่งของนั้นใช่ของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตหมายถึงไม่ใช่สิ็นของที่พระเจ้าอนุญาตข้อที่สามก็คือของนั้นไม่เป็นอภูหาริกดังควันไวเป็นต้นข้อที่สี่คือกลืนเข้าไปในลาคอพร้อมด้วยองศีนี้จึงเป็นปาจิตตีส่วนสมุดฐานวิธีเป็นต้นจำเหมือนกับเอและคารุมสิทาบท ดังกล่าวแล้วในปฐม ส, สาสเดียดก็ได้แก่อะไรสมุฐานสองเอระก็คือกายหนึ่งกายจิตหนึ่งกายหนึ่งกายจิตหนึ่ ง, ง, งเป็นกิริยาโนสัญญมิโมกอจิตฐะปันนติวชชะกายกรรมจิตสามเวทนาสามมันก็เรื่องของพรทวนไนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นพื้นฐานเหมือนกับแผ่นดินที่เป็นที่รองรับของสิ่งก่อสร้างเรือนต่างๆต้นไม้ต่างๆก็ต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่ตั้งนะ ศีลก็เป็นที่ตั้งของคุณธรรมเบื้องสูงของรพระพิกสุขเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษาศีลอบรมเจริญจิตให้สงบเพราะว่าเมาื่อศีลดีแล้วก็จะเป็นฐานที่ตั้งทําให้จิตสงบได้ง่ายทานอิ่วอนได้ง่ายเป็นปัจจัยแก่การอบรมเจริญที่ตอบสนองเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เกี่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเพื่อจะตรัสรู้ อ, อริยสัจตีแล้วก็จะได้เป็นสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นดุจดวงจันทร์ที่ลอยคว้างอยู่ในนาภาคา่ะผ่องใสในวันเดือนเพ็ง ขอ้เป็นเช่นนั้นเทินสาธุสาธุสาธุ